أعوذ بالله من الشيطان ا, إ, ول إ, إ ل ر ต ي م بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و به نسعين ولا أدوان إلا لظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله ملك الحمد حتى ت ر ض و ى و ل ك ا ل ح م د إذا ر ض ي ت و ل ك ا ل ح م د بعد الرضا اللهم لك الحمد أنزلت القرآن و ح د ن ا إلى سرات الرشاد أما بعد سلام عليكم วาระมาตุลลอฮีวาบะรอแกตุครับพี่น้องที่รักยิ่งครับก็วันนี้พิเศษนิ้หนงนะครับอยากขอพูดคุยกับพี่น้องต่อนะครับผมเรามาคุยกันต่อครับในส่วนของทับซีดเพราะว่ามันก็ห่างหายกันไปพอสักพักนะครับผมก็อยากให้อยากชิดเชยในส่วนที่พลาดไปนะครับผมในส่วนที่เรานั้นขาดไปซึ่งมันก็เป็นโอกาสทองด้วยก็ อยากได้ปรียน์กันเต็มที่นะครับผม เ, เราจะมาพูดคุยกันต่อครับหลังจากที่พงล้อสุบฮานหงอว่าจาที่พงได้กล่าวไว้นี่สุตตุนบาลัตซึ่งเราได้พูดคุยกันไปจนถึงอายาที่14เอาอิตาอามุนฟียามินดีมัสกบเอาอิตอามุนฟียามนดีมสกบะ ยาตีม ah, ันอามักรบะเอามิสกีนั้นอามักรบะถึงอายาที่16นะครับเมื่อวานครับก็คือพอลอสุภาโนฮวาตาลาได้บอกไว้ถึงหนทางที่ยากลำบากซึ่งมันเป็นหนทางที่อัลลอฮ์องนั้นเรียกว่าเป็นการปีนผ่านชงอ่อนผาพับอกว่าทางเลือกของมุสลิมครับยากอยากให้าลอรักนี่คือ อิอามันอิบาดาที่ทำํำยอดลอรักเป็นพิเศษหนึ่งนั้นคืออะไรครับการให้อาหารในวันแห่งความหิวโหยในวันแห่งความยากลําบากแล้วก็การให้อาหารแกบ่บรรดาเด็กกพาพร้าหรือว่าการให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบความการให้ความช่วยเหลือกับคนที่ขัดสนและมัทรบะที่ว่ามีฝุ่นที่ว่าคุกไปด้วยฝุ่นหรือว่าโคลหรือว่าดินนะครับผมพี่น้องคิดนะครับมาพูดถึงคําว่ามิสกีน หนึ่งในคําที่ว่ามักจะถูกถามบ่อยๆนะครับว่าตกลงมิสกินกับฟั ก, กีิ้นเนี่ยมันต่างกันยังไงเพราะว่าพอถึงเวลาครบรอบปีท่านที่ว่าเอาไว้ให้ท่านมีความสามารถสามารถจ่ายสกาดได้พอรู้ว่าคนที่มีสิทธิ์รับสากาดมีทั้งมิสกินกับมีทั้งฟักกิหนึ่งในคําถามยอดฮิตก็คือว่าแล้วต่างกันยังไงเหรอมิสกีนกับคําว่าฟักกิถ้าเราจะมาดูความหมายนะครับผมว่าแตกต่างกันยงไงเราต้องกลับไปดูที่ลากฐานของคําศัพท์คําว่ามิสกินมาจากคําว่าสากแกแา สักแน่แปลว่านิ่งไม่ไหวติงที่ว่าสกีนะเวลาละหมาด ต, ต้องมีความสักีนะต้องมีความสงบนิ่งไม่ไหวติงไม่ลุกลีลุกลนเพราะฉะนั้นทําไมคนมิสกีนคนขัดสนถูกเรียกว่ามิสกีนเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะใช้ใจ่ายได้พี่น้องเคยใช่ไหมครับเวลาที่เบือ่อเบื่อครับผมหนึ่งในความสุขของหลายๆท่านก็คือการได้ช้อปปิง้งแต่เวลาที่มันไม่มีเงินแหละพี่น้องมันจะช้อปปิ้งไงมันก็ทําไม่ได้มื่อ ต้องอยู่กับที่อยากกินอะไรก็ไม่ได้กินอยากไปเที่ยวไหนก็ไม่ได้ไปเที่ยวมิสกีนุนคนที่ว่าอยู่กับที่คนที่ว่าอยู่นิ่งๆไม่สามารถเคลียร์เครียดไปไหนได้เพราะขาดปัจจัยที่เรียกว่าเงินอันนี้เรียกว่ามิสกีนหมายเข า, าคนที่เป็นมิสกีนนะครับเขาแค่นิ่งแต่ถ้าเขามีเงินเขาก็ยังใช้จ่ายได้คาว่ามิสกีนถึงถูกใช้เรียกคนที่ว่ามีการมีงานอยู่ก็คือ ยังมีการทํางานนะมีการพยายามที่จะทํางานเต็มที่เพียงแต่ว่ามันสภาพเงินมันไม่ได้คล่องขนาดนั้นมีสภาพการเงินที่ไม่คล่องนะครับพี่น้องเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่า อ, อ, อาจจะมีข้าวกินครบ3า ม, มื้ออาจจะมีโทรศัพท์มือถือมันเป็นปัจจัยพื้นฐานอาจจะมีมอเตอร์ไซค์แต่ก็คือก็ต้องอยู่แบบปากกัดตีนถีบก็อยู่แบบค่อนข้างจะไม่สะดวสบายอะพี่น้องเรียกว่าเป็นมิสกีน ถ้าพูดภาษาไทยเนี่ยตัดภาษาไทยไปก่อนเพราะภาษาไทยเราเรียกว่าคนคนยากจนใช่ไหมครับซึ่งบางทีขัดสนกับยากจนจริงๆความหมายมันก็ได้เพราะขัดสนก็คือพอจะมีแต่มันขัดขัดไปบ้างยากจนก็คือยากไร ก, ก็คือไม่มีเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงบางคนเนี่ยพี่น้องไม่ใช่คนยากจนแต่เป็นคนอยากจนแปลว่าอะไรนะอยากจนอยากจนก็คือเห็นว่าเขาจะแจกตังค์เห็นว่าจะได้สากาด ก, ก็คือเออฉันจนเอาไม่ให้ฉันก่อนพี่น้องครับ การเลือกมีชีวิตยอย่างผู้มีเกียรติเป็นสิ่งที่ดีกว่าเพราะเราได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้ศรัทธาว่าลายสออูนันนะสัยห้าฟรผู้ศรัทธานั้นต่อให้เขายากไร้แค่ไหนเขาจะไม่ตือขอผู้คนใช่ครัว่าตือคือถ้ามันจําเป็นต้องขอก็ขอเพราะเราไม่ได้ห้ามนะครับไม่ใช่ว่าเราลำบากจะเป็นจะตายปุ๊บฉันต้องรักษาศักดิ์ศรีฉันเอาไว้ฉันต้องไม่ขอใครไม่ใช่คือถ้ามันถึงความจําเป็นถ้าจําเป็นต้องขอความช่วยเหลือก็ต้องขอเพียงแต่ขอแต่พองาม คือถ้าขอปุ๊บเขาไม่ให้กระจบไม่ต้องไปเตือแล้วถ้าพอจะกระเสือกกระสนได้อยู่ก็อย่าฝึกขอคนจนเป็นนิสัยบางคนก็ขอจะเป็นนิสัยขอยังไงขอให้ได้ขอสักอย่างครับบางทีไปซื้อของขอลดราคาเอาขอลดราคาไม่ได้เอาขอเพิ่มสินค้าได้หขอเพิ่มสินค้าไม่ได้เอาขอถุงหิ้วก็ยังดีคือขอให้ได้ขอบางคน ขอเป็นนิสัยจริงๆซึ่งอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลตานของอิสลามได้บอกไว้นะครับอยากให้อัลลอฮ์รักขอพงให้เยอะๆหากอยากให้มนุษย์รักหลีกเลี่ยงการขอจากเขาแล้วพวกเขาจะรักเราอันนี้คือขอ้อเท็จจริงครับงั้นมิสกีนเนี่ยคือผู้ที่ขัดสนก็คือชีวิตมันก็ไปได้นเนี่ยแต่มันลําบากหน่อยมันลําบากหน่อยก็คืออาจจะไม่มีบ้าน อ, อาจจะมีบ้านจะเป็นบ้านซอมซ่อหรือว่า บางคนบอกมีหลักชัดๆเลยไม่ที่ให้วัดถ้าจะชัดขนาดนั้นมันไม่มีครับพี่น้องเรารู้แค่ภายนอกของเขาภายในเขาเป็นไงเราไม่รู้แต่เราก็พยายามดูภายนอกดูความเหมาะสมดูอะไรยิ่งถ้าเกิดเงินที่เราจะช่วยเหลือใครก็พยายามช่วยคนที่เรามั่นใจว่าการช่วยเหลือเขาเนี่ยเข า, าจะรักเราส่วนภายในไม่ต้องไปสนบางทีเอาจจะไปช่วยใครสักคนเรียบร้อยแล้วเจตนาบริสุทธิ์แล้วมีคนมาบอกเนี่ไปช่วยทํำไมมันช่วยยงั้นไม่ช่วยอย่างนี้จบแล้วก็จบ จบแล้วก็จบก็บอกว่าตอนที่เราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเขาจะเป็นยังไงระหว่างเขากับอ่อนล้อคือหน้าที่เราเนี่ยสแกน ร, ระดับหนึ่งตรวจสอบระดับหนึ่งแต่หลังจากนั้นข้อเท็จจริงจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวละช่วยใครได้ก็ช่วยจริงๆคํามิสกีนก็แปลว่าคนที่สงบนะก็คือคนที่นิ่งทั้งๆ ท, ที่เคลื่อนไหวได้คือถ้ามีอะไรมากระตุน้นก็เคลื่อนไหวได้มีเงินมาก็เคลื่อนไหวได้ส่วนคําว่าฟักีดมาจากคาว่าฟักกระรุน ฟักฟกุ่นฝากกอรอในภาษาหลับคือไม่มีอะไรเลยฟักกุ่นกับกอฟรุ่นเนี่ยความหมายเดียวกันมาการในกอฟสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยคือไม่มีต้นไม้ใบหญ้าไม่มีพืชอะไรเลยเหมือนกับกรไม่รู้มีใครเคยดียหรือเปล่าครับเพรว่าบวกก๊อฟหรฮาร์บิบีมากากรในก๊อฟลุนอะไกุลบวกกอฟหรฮาร์บิฟัุเป็นกรที่เชื่อกันว่ายินเป็นคนแต่งนะครับเพราะว่าเอ่อกรเนี่ย ไม่มีคนอาลับคนใดสามารถพูดรัวติดกันได้สามรอบบวกกอล์หารดบินบิมากลียบกอลฟบินไปเลยส ก, กุลวกกอล์หรอด บ, บินกอลฟหรืคือผมไม่ใช่คนอาลับะนะผมก็เลยน่าจะอ่านได้ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับผมอยากรู้ไหมครับก่อนที่แปว่าอะไรผมชวนนอกเรื่องดีไหเนี่ย เดี๋ยวผมถ้าใครพี่น้องก่อนแล้วกันครับ่ถ้าพี่น้องท่านใด อ, อยากรู้ที่มาที่ไปของกที่ว่ามาจากยินยินเป็นผู้แต่ง น, นะครับก็พิมพมานะครับผมถ้ามีการพิมพผมไปต่อนะเอ่อพี่สมานะครับ s a าม a a m wa l kum s ล l a a m ครับแล้วก็น้องบรารักัตอ่สลามานะครับ wa l kum salaam ala w a r a b t ครับผมมาชาหลอครับลูกชายน่ารักเขาคนน่ารักครับผม เอาคุณสาดาครับสลามเต็มๆนะครับวายรีกุ่มสลามอบตัวแล้วว่าบรักาตูครับผมกานพูดยวานกับลูกชายทำให้ลูกมานั่งเรียนภาคสองกับแม่ได้ด้วยโอ้โหมาชาอัลลอฮ์ครับผมเป็นแม่ลูกที่น่ารักครับลูกก็น่ารักนะครับออืก็ขอรอเมตตาครับผมเอาให้ดินยาบอกว่าโอเครอฟังยินอยากรู้ครับแล้วก็คุณสาบอกบอกว่ารอฟังยินโอเคว่ามาเราก็ว่าไปครับผม เดี๋ยวคุณดาาวสมานะครับผมอกเสียงถูกะวคุณสลามอตุลลอฮฺวะบริกาตุและก็คุณซาเบยดาครับสมมาวคุณสลามอตุลลอฮวะบารกาตุชืู่กับคุณปัญญาดีเหลือครับก็บอกสามวคุครับทุกท่านก็วาคุณสลามวะรำตุลลอฮฺวะบารกาตุครับผมครับก่อนเมื่อกี้มันแปลว่าอะไรคือประเด็นเราจะพูดคาว่ากรฟุลที่แปลว่าสถานที่ที่ไม่มีแม้แต่ต้นไม้ขึ้นก่อนเขาบอกว่าวกออยู่ฮารบิน กบปรูกบรูก็คือหลุมศพครับกบปรูว่กกบรูฮัร์บินบินมากลในกอล์หลุมศพของคนที่ชื่อว่าฮัรอยู่ในสถานที่ที่กอฟอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยว่าไรสกุลบอกอบรูฮัร์บินกบปรูโดยที่ว่าไม่มีหลุมศพใดเลยที่ใกล้กับหลุมศพของเขาคือถูกฝังแบบห่างไกลผู้คนอยู่ไกลผู้คนแล้วก็ไม่มีแม้แต่เพื่อนบ้านที่เป็น คนตายด้วยกันกรณนี้ที่มาที่ไปคืออะไรครับฮัตคือใครฮัตบินเผาฮัตนั่นแหละครับผมที่เราเคยเรียนกันเวลาฟังประัตของท่านอับดุลเบี๊ยมุสลาลลอยสำหรับชื่อฮัตเนี่ยเป็นเพื่อนเพื่อนของอับดุลมุตัลบครับผมก็คือเป็นเพื่อนของลุงท่านอับดุลเบี๊ยมุสลาลลอยหองอ่าย์เลยสำหรับบางท่านก็บอกว่าไม่ใช่เพื่อนของปู่เป็นเพื่อนของทวดสรุปก็เป็นเพื่อนกับบัมพารุตนะบีแล้วกันอ่ะเรื่องของเรื่องคืออะไรครับเขาบอกว่าคนที่ช rr, ื่อว่าฮัตเนี่ย ครั้งหนึ่งได้เดินทางไปในทะเลทรายซึ่งในยุคก่อนครับก็เป็นยุคที่อย่างที่เรารู้ก็เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนก็ค่อนข้างจะถ้าเดินทางมันก็อย่างที่เขาบอกกันครับคืบก็ทะเลทรายสอก็ทะเลทรายก็คือมีแต่ความธุระ ก, กันดานทีนี้ประเด็นครับมันเกิดอะไรขึ้นอันนี้คือเป็นเรื่องเล่าซึ่งคนที่เดินทางไปด้วยเล่าให้ฟังอีกที คนที่เดินทางไปกับฮัตเนี่ยเล่าเล่าให้ฟังอีกทีซึ่งฮัตกับอบุนุเด็บเนี่ยครับจริงอยู่เป็นเพื่อนกันแต่ภายหลังก็แตกคอกันซึ่งเราคงไม่คุยกันไกลขนาดนั้นไม่ไปไกลถึงขนาดนั้นเอาแค่ประเด็นถึงฮัตก็พอหละฮัตเนี่ยครับตอนช่วงที่เดินทางไปกับกลุ่มกลุ่มของเขาที่เดินทางไปเนี่ยอยู่ๆครับก็ตอนที่ไปพำนักต่างถิ่น ช่วงเดินทางมันก็ต้องหาที่พักที่พักก็ที่พักกลางท้องทุ่งทะเลทรายช่วงที่พักอยู่นะครับก็ไปเจองูตัวขนาดใหญ่เรื่องเล่ามีหลายกระแสนะครับผมผมสรุปมาเลยต้องมเป็นเรื่องเล่าพี่น้องไม่ต้องเป็นซีเรียสนะเจองูตัวใหญ่ครับผมแล้วก็พอคนที่ไปด้วยเจอปุ๊บก็กลัวๆว่างูตัวนี้จะมาทำร้ายฮาร์ทก็เลยจัดการสังหารงูตัวนี้ซะก็เลชัก ด, ดาบมาแล้วก็ฆ่างูตัวนี้ พี่น้องพอคิดออกไหมว่าอะไรจะเกิดขึ้นพอฮัสังหารหมูตัวนี้ะครับผมคนที่เดินทางด้ยวยกันเล่าให้ฟังว่าหลังจากนั้นเราก็พบเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ว่าหน้าตาน่าเกลียดหน้ากลัวหน้าสะพึนกลัวแบบถึงขั้นหน้าขยะขแข็งนะครับผมเป็นผู้หญิงที่ว่าโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วพอโผล่มาปุ๊บ ก, ก็คือเกิดอาเพศต่างๆน า, นานามากมายยำ้ำเป็นเรื่องเล่าของชาวอุเรสในยุคนั้นข้อที่จริงว่าเราออารมณ์ครับ ยามอีกทีนะผู้หญิงที่มาเนี่ยเหมือนกับเป็นคือถ้ามุสซิมเราเราก็รู้เลยว่าถ้ามันเรื่องราวนี้นเป็นเรื่องราวจริงผู้หญิงคนนี้เป็นยินแน่นอนเป็นยินแน่นอนเพียงแต่ว่าชาวกุเลชไม่รู้เขาบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นผีสางนางไม้เป็นยินเจ้าที่ที่อยู่ในแถวนั้นซึ่งโกรธจัดเลยหลังจากที่ว่างู <m ur ở> ตัวนั้นถูกสังหารซึ่งว่ากัว่างูตัวนั้นเป็นสามีของนางเองงูตัวนั้นเป็นสามีของนางเพราะว่ายินสามารถแต่งร่าง เป็นสัตว์ต่างๆได้แปลงเป็ น, ปนงูได้แปลงเป็นสุนัดําปลอดสนิทได้ซึ่งประเด็นเดี๋ยวเราค่คุยกันครับผมเอาแค่เรื่องของเราก่อนละกันผู้หญิงคนนี้ด้วยความเครียดแค้นครับก็คือไล่ตามฆ่าทั้งกลุ่มเลยคือไปทั้งกลุ่มยังไม่มีใครสามารถสู้ผู้หญิงคนนี้ได้โดยกับกําลังโดยกับรุนแรงด้วยกับความโหดเหี้ยมโดยผู้หญิงคนนี้ก็คือตั้งเป้าก็คือฆ่าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้โดยเป้าหมายหลักของนางก็คือฮัพคนที่ฆ่าสามีของนางเอง ทีนี้ครับพอผู้หญิงคนนี้ไล่ฮาร์ utt, ใช่ไหมครับสมาชิกที่เหลือรอดที่รอดตายเนี่ยส่วนที่เหลือรอดปุ๊บก็รีบกลับวิ่งกลับเข้าไปในเมืองเพื่อไปเลือกกำลังเสริมมาช่วยโดยไม่รู้ชะตากรรมของฮาร์ว่าเป็นยังไงต่อหลังจากนั้นครับเมื่อไประดมพลมาได้เอามากองหนึ่งแล้ว กะว่าถ้าเจอผู้หญิงอีีนี่ก็ให้มารู้ไปคือตายก็ไปข้างนึงก็ไปปุ๊บ ก, ก็ไม่เจอใครแล้วกลับไปที่เดิมคือไม่เจอใครเลยไม่เจอทั้งผู้หญิงไม่เจอทั้งศพงูไม่เจอทั้งฮับหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วก็เลยทําการทุ่มเพื่อตะเวนหาคืออย่างน้อยอยากเจอศพมาฝังก็ยังดีอันนี้ก็คือคนเป็นญาติก็รู้สึกอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อเกิดว่าคนที่เรารักต่อให้เราเสียใจจากการจากไปของเขาแต่อย่างไรที่สุดเราก็อยากจะฝังศพเขาหรือวาจัดการกับศพของเขา ญาตของฮัต ก, ก็เช่นเดียวกันครับก็ขอให้แต่ละคนช่วยกันตามหาศพของฮับในถุงทุ่งที่แบบเบ้เบิงแห้งแล้งที่ไม่มีอะไรเลยทุ่งนั้นนะครับผมตามหาเท่าไหร่ก็ตามหาไม่เจอตามหาเท่าไหร่ก็ตามหาไม่เจอผลสุดท้ายได้ยินเสียงมาตามลมได้ยินเสียงมาจากตามลมคือไม่เจอคนพูดเจอแต่เสียงเสียงที่ว่าคือ กอนแบบนี้แหละครับว่ากบหรือฮารบินบิมก้านหรือวฟินเมล็ดกุลบักอับหรือฮารบินกอบรุแล้วก็วนไปเรื่อยๆว่ากบหรือฮาร์บินบีมกา้านหรืหอฟินเมล็ดกุลบักกับหรือฮาร์บินกนับรุบลลบนวนแล้ววนอีกวันแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกโดยที่ไม่เจอตัวคนพูดเขาก็เลยบอกว่าก้อนบทนี้ต้องมาจากยินเพราะอะไรครับมีสอสาเหตุอันนี้ที่เขาว่านะสาเหตุแรกเพราะไม่เจอต้นตอของคนที่พูดประโยคนี้ได้ยินแต่เสียง แล้วอันที่สองเขาบอกว่าเพราะคนอาหลับไม่มีทางจะพูดกรบทบ่ น, น, นี้รัวๆ3ามครั้งติดกันได้แต่ตอนที่ได้ยินเสียงก็คือได้ยินแบบลัวเลยครับบอกว่าตามหาศพของฮัทใช่ไหมตอนเนี้ศพของฮัทถูกฝังไว้เรียบร้อยแล้วในสถานที่ที่ไม่มีอะไรเลยคือแสดงถึ่ความแค้นของผู้หญิงของยินตัวนั้นคือแค้นสุดๆเข้าไปฝังแบบไม่ต้องให้ได้อยู่ร่วมกับใครอีกเลย ก็บอกว่าตามหาศพของฮัฟใช่ไหมศพของฮัฟอยู่ในสถานที่ที่แบบว่าห่างไกลห่างไปแล้วที่ไม่มีอะไรที่มีชีวิตอยู่ได้เลยแล้วก็ไม่มีหลุมศพใ ด, ดอยู่ใกล้กับปุมศพเขาด้วยฟังแล้วพี่น้องรู้สึกยังไงครับคือใครคิดยังไงไม่รู้ครับสิ่งที่ผมคิดก่อนเลยก็คือว่าอย่าไปหาเรื่องกับผู้หญิงนะครับผมโดยเฉพาะผู้หญิงที่เป็นภรรยาเนี่ยนะครับผมคิดถึงภาะสิทไทยไหมครับว่าเสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียหัวให้ใครประมาณนั้นหรือเปล่านะครับก็ อันนี้ชวนคุยนอกเรื่องครับก็ว่ากันว่าเนี่ยเป็นที่มาของกรอนบทนี้แล้วผลสุดท้ายก็คือเขาบอกว่าแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังไม่มีใครเจอศพของฮาร์ทคือหรือปัจจุบันอาจจะเจอแล้วแต่ไม่รู้ว่าเป็นศพของฮาร์ทก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะยังไม่เจอจริงๆเพราะว่า ในแถบมักกะแถบมาดินาระหว่างนั้นนะครับจะไปชิดดาจะไปตซอุสจะไปอะไรมันก็ยังมีเวรมีทุ่งที่แบบไม่มีใครอยู่เลยจริงๆมันก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นการจะเอาศพไปซ่อนมันมันก็เปลนไปได้ครับผมอันนี้เรื่องของยินครับบางท่านบอกหะยินมันทําได้ขนาดนี้เหรออาจารย์ครับแม้แต่ในสมัยท่านนาบีมูฮัมมัดสลอมของอัลลอฮ์สลอมเองก็มีซาบาที่ถูกยินสังหารก็มีซาบาที่ถูกยินพาไปอยู่ในมิติของยินในโลกของยินซึ่ง เ, เรื่องพวกนี้ถ้ามีโอกาสเราค่อยเอามาเล่ากันนะครับผมอันนี้ผมชวนนอกเรื่องก็ขอมาพี่น้องที่อยากให้อยู่ในประเด็นนะนะก็ขอมาด้วยนะครับผมชวญ น, นอกเรื่องไปนิดหนึ่งประเด็นครับเราพูดถึงความหมายของคําว่าฟักกระรุนหรือว่ารัฟรุนการไม่มีแบบไม่มีอย่างสิ้นเชิงแปลว่าถ้าเกิดจะเปรียบเทียบถ้าเกิดคําถามว่าฟากีตกับมิสกีนต่างกันยังไงคําตอบก็คือฟากีตนี่คือไม่มีอะไรเลยบ้านไม่มี ในะที่มีเสื้อผ้าแค่ชุดเดียวงานนี้ก็คือแทบจะไม่มีเลยเราเรียกว่าเป็นฟา ก, กีตก็คือมีความต้องการในเรื่องความช่วยเหลือมากกว่ามิสกีนในขณะที่การช่วยเหลือมิสกีนก็อย่างที่เราพูดไปเมื่อวานก็คือมิสกีนมักจะถูกกล่าวคู่กับยาตีมในกุรานคนขัดสนกับเด็กกำพร้ามักจะถูกเอามาคู่กัน ก็คือเป็นคนที่มิสกีมสมควรให้รับความช่วยเหลือสมควรมอบความช่วยเหลือเป็นอันดับต้นๆบางท่านอาจจะบอกว่าถ้าเกิดฟักเกียดเนี่ยเดือดร้อนกว่าทําไมไม่พูดถึงฟักียดมากกว่ามิสกีนคำตอบก็คือพวกเราพูดถึงมิสกีนคนที่เดือดร้อนน้อยกว่าเพื่อให้รู้ว่าน้อยกว่าคุณก็ควรจะช่วยแล้วถ้ามากกว่าคุณยิ่งต้องช่วยถูกไหมครับคือถ้าพูดว่าให้บริจาคให้ฟักียดอย่างเดียว บางคนะจะบอกว่ามิสกีนฉันไม่ต้องให้แต่เมื่อบอกว่าต้องให้มิสกีนก็แปลว่าฟะกิดในภาษาอรับแล้วเล ย, เลยว่าเป็นมินบับอัลลาฟะกิดยื่นสมควรที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือเพราะฉนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้าเกิดพี่น้องเจอคําว่ามิสกินเยอะกว่าคําว่าฟะกิดในอัลกุรอานถ้าพวเราบอกในเรื่องการช่วยเหลือแทบจะทุกครั้งพวกเราจะใช้คําว่ามิสกีนว่าจะไปมูนาตออามาลาฮุบิฮิมิสกีโนว่าะตีโน ซรกับอีกหลายหลายที่ครับที่ว่าเมื่อพูดถึงคำว่ายากีมจะพูดถึงมิสกีนเช่นเดียวกันกับซูรตุลเบลล์ครับ أو อิตามุนฟียมินซีมัสตระบะยากีมันซามักรกะบะ أو มิสกีนันามักรกะบะมักจะหลายท่านมักจะสับสนนะครับมักจะอ่านเป็นยากีมันซามักรกะบะเอามิสกีนันซามักรกะบะจความหมายง่ายๆพี่น้องยาีมที่เป็นญาติญาติคือ ก็รีบอย่าตีมันザมักบส่วนมิสกีนอมิสกีนคนขัดสนใช่ไหมต้องมีฝุ่นไงตัรอบไงเอามิสกีนนั้นザมัทรอบามิสกีนที่ว่ามีฝุ่นก็อันนี้เป็นเคล็ในการจำเผื่อบางท่านสลับกันเพราะผมมักจะเจอสลับกันบ่อยนะครับผมฟกิสเอ่อมักรบะกับมัทรอบาในที่นี้เน้นเรารู้เข้าแตกต่างแล้วว่ามิสกีนกับฟกิสตต่างกันก็นกคือคนเป็นมิสกีนเนี่ยยังมีงานทาอยู่ ต่อให้มีงานทำก็ถือว่าเป็นมิสกีนได้บางคนเวลาจะไปบริจาปุ๊บต้องหาคนที่ไม่มีงานทาเลยไม่ต้องขนาดนั้นบางทีอาจจะหาไม่เจอหาเจอก็ทำเลยแล้วครับแต่มิสกีนเนี่ยเป็นคนที่ยังมีอาชีพอยู่บางทีอาจจะเป็นเจ้าของทรัพย์สินขนาดใหญ่ก็อาจจะเป็นมิสกีน ได้อย่างเช่นในสุรค้าฟีครับท่านที่อ่านกาฟีเป็นประจำเราก็จะคิดถึงเรื่องของเรือใช่ไหมครับพอเรากล่าวว่าครับ أما ا ل س ف ي ฟ ة ف า ا ن ت م ิม ك ซากีนย و อ في البحر فأراد أن أ ه ب อ وكان وراءهم ملكي يقودون لسفينة وسبر ในสุรคาฟีับในหนึ่งในช่วงการใช้คำว่าะจญภัยดีไหมบางท่านบอกไม่ควรใช้คว่าะจนไทย หนึ่งในการเดินทางที่ท่านนาบีมูซาเ ด, เดินทางไปกับนบีคีเดศไม่ต้งกลัวครับไม่ต้งกลัวผมไม่เล่าเรื่องท่านนาบีมูซากับนบีขีเดศไม่งั้นมันคงไม่จบเราคงไม่ได้เป็นอะกันสักทีนะครับผมเอาแค่ประเด็นในยักุ์กรานครับในช่วงหนึ่งของการเดินทางที่ท่านนาบีมูซากับนบีขีเดศไปด้วยกันมีช่วงหนึ่งที่ว่าทั้งคู่โดยสารบนเรือและนบีคีเดศก็ไม่พูดพ่างทาเพลงก็ไปสร้างตําหนิบนเรือนบีมูซาเห็นก็ ตกใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยคุณไปทำลายเรือได้ไงเนี่ยเรือคนเขาเจ้าของเรือเขาอุาสตส่าห์ใจดีให้เราเดินทางมาด้วยทำไมตอบแทนความดีด้วยกับสิ่งที่ไม่ดีนบีคีเดสก็บอกว่าฉันบอกแล้วว่าคุณทนไม่ได้หรอกถ้ามากับฉันเนี่ยตอนหลังนบีคีเดสมาเฉลยว่าทำไมนบีคีเดสถึงได้ทำให้เรือนั้นมีสภาพที่สุดโทม แต่ยังได้ได้นะแต่ยงไ ด, ได้ได้แค่ความสวยลดลงในมะิเคเิลตบอกว่าไงครับอัมมาเซฟีนะตูส่วนเรือเนะี่ยที่ฉันไปทำลายเรือมาเนี่ยฟาแกนัตมาแซกินมันเป็นของมิสกินเป็นของคนขัดสนนี่เป็นของคนขัดสนแตลว่าคนขัดสนก็ครอบครองเรือได้ าาส่วนอีบฮาส่วนความหมายที่เหลือผมผมคงไม่แปลต่อเราคงไม่เลอกกันต่อประเด็นที่อยากจะคุยครับพี่น้องพี่น้องบางท่านได้ยินแล้วจะตกใจบอกเป็นเจ้าของเรือแล้วยังเป็นคนจนได้อีกเหรอบางท่านอาจจะบอกมันไม่กินกับสีปัญญาเพราะอย่างเรือปัจจุบันถ้าเกิดเราคิดลํานึงมันหลักล้านใช่ไหมครับพี่น้องยิ่งถ้าเกิดเป็นเรือใหญ่เรือเดินทางในทะเลอ่ะพี่น้องทะเลไม่ใช่ทะเลในอ่ะไม่ใช่อ่าวในเสียแต่เป็นทะเลข้างนอก มันต้องใหญ่มันต้องมีมูลค่าบางท่านบอก อ, อันนี้มันไม่จนหรอกคำตอบพี่น้องรู้ไหมครับทำไมถึงเป็นคนจนเพราะอัลกรุรอานพวกเราใช้คำว่าลีมาซากีนเป็นของคนขัดสนหลายๆคนเราเรียกว่าเป็นคนขัดสนทั้งั้งที่ครอบครองเรือเพราะเรือลานั้นไม่ได้เป็นของเจ้าของคนเดียวเจ้าของมีหลายคน อะไรก็ตามที่เจ้าของมีหลายคนเนี่ยมันก็ต้องแบ่งกันใช้คือมันไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดสินใจตามอำเภอใจถูกไหมครับคือถ้าเกิดเซฟีนะนี่นมิสกีนอันนี้ของน่าจะไม่ใช่ถ้าบอกว่าเรือใหญ่โมโหโมลานเนี่ยเป็นของคนยากจนคนหนึ่งมันไม่ใช่แล้วถ้าเป็นเจ้าของครอบครองอย่างเบ็ดเศจไม่ใช่มิสกีนแน่นอนแต่ที่ถูกเรียกว่ามิสกีนที่เป็นคนขัดสนเพราะ เขาไม่มีความสามารถจะสร้างมาด้วยตัวคนเดียวไม่มีเงินจะซื้อด้วยตัวคนเดียวก็เลยต้องไปหาหุ้นส่วนมาแต่ละคนก็คือคนที่ขัดสนขัดสนขัดสนขัมือลหนึ่กันเอามาลงขันกันมาช่วยกันประกอบเรือจนกระทั่งได้เรือผลสุดท้ายก็ก็ต้องแบ่งกันใช้มีอะไรก็ต้องคิดร่วมกันก็เลยเป็นคนขัดสนอย่างชัดเจนครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะพี่น้องเหมือนกับถ้าเกิดรถมอเตอร์ไซค์ถ้ามีรถปุ๊บเหมือนจะเป็นคนมีฐานะแต่ถ้าบอกว่ารถเนี่ยฉัน มีหุ้นอยู่ประมาณ10คนผัดกันใช้อันนี้เรารู้เลยว่ามิสกีนแน่นอนเลยมิสกีนคือต้องผัดกันใช้ขนาดนั้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นและต่ออิฟเป็นลายลายอะไ ร, รละเอียดในอัลกุรอานในการใช้คำที่งดงามใช้คำน้อยแต่สื่อให้เราเข้าใจความหมายที่มหาศาร แค่คำว่าอัลมาสซาฟีนัตุฟา ก, กานัตลิมาซากินจริงๆประเด็นแค่เนี้ยครับถ้าจะตั้งแปลได้แต่เอาว่าอัลมานะตั้งแต่คําว่าสซาฟีนะตั้งแต่ฟา ก, กานัตทําไมใช่คําว่าฟากานัตทำไมไม่ใช่คำว่าฟัตตู ก, กุนทำไ ม, ใ ช, ำกกไมใช้รูปแบบอดีตโอเคเราไม่ได้ใทับซีดซูรอกาฟีนะครับผมก็พักไว้ก่อนเรากลับมาที่ซูรัตุนบัลต์เงื่อนตกลงวิสกินคือบุคคลที่ว่า ต่อให้เขาครอบครองทรัพย์สินต่มันเป็นชิ้นใหญ่แค่ไหนเขาก็ครอบครองในรูปแบบของหุ้นส่วนคือไม่ใช่หุ้นส่วนแบบที่ลงธุรกิจแล้วร่ำรวยแต่เป็นหุ้นส่วนที่ต้องหุ้นเพราะความที่ว่าฐานะขัดสนแต่ต้องกระเสือกกระสนชีวิตเพื่อให้มีงานทำประเด็นนี้โอเคต่อไปครับ ในอายักุราห์ผู้ล้อใช้คําที่เห็นภาพมาครับผู้ล้อใช้คําว่าไงนะครับผู้ขัดสนที่หล่มลุกคุกคานที่ว่าเปื้อนไปด้วยฝุ่นนะครับผู้ขัดสนที่เปื้อนดินถ้าจะแปลตรงตัวนะผู้ขัดสนที่เปื้อนดินคําว่าเปื้อนดินพี่น้องคิดอะไรได้อีกบางคนอาจจะบอกว่าจานฉันก็เป็นคนยากจนฉันก็เป็นคนขัดสน ขอล้อเมตตาขอรัลอ่อล้ อ, ลอช่วยเหลือพวกเราในยุกุราณครับเราอย่าลืมพวกลรากำลังพูดถึงการปีนฉะง่อนผาอิกรฮามะอัลอาควะการปีนง่อนผาเพราะนั้นไม่ใช่การช่วยเหลือคนขัดสนธรรมดานะแต่เป็นคนขัดสนที่เปื้อนดินเปื้อนฝุ่นแปลว่าอะไรแปลว่าขนาดที่นอนเขาก็ไม่มีขนาดบ้านเขาก็ไม่มีต้องนอนบนตามพื้นต้องนอนตามถนนถูกไหมครับ งั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินคื อ, องไงถ้าเกิดมีบ้านมันก็ต้องมีที่อาบน้ํามันก็ต้องมีอะไรอย่างน้อยร่างกายมันไม่เปื้อนฝุ่นเปื้อนดินถ้าคนที่ถึงขั้นเปื้อนฝุ่นเปื้อนดินก็คือสิ้นไร้ไม้ตอกจริงๆคือบ้านก็ไม่มีอาจจะหางานทําแบบหาเช้ากินขําบางทีก็นอนใต้สะพานมีนะพี่น้องมีจริงๆคนขัดสนแบบนี้มีจริงๆเพียงแต่บางทีเราเลือกที่จะมองไม่เห็นพวกเขาหรือเปล่า เพราะฉนั้นบางคนเลยจะบอกอาจารย์ฉันก็ขัดสนแต่ถ้าขัดสนแต่เรายังพอมีอาหารกินแล้วเราพอจะช่วยคนที่ขัดสนกว่าเราได้ช่วยะครับพี่น้องพี่น้องจะไม่เสียใจไม่ผิดหวังทีหลังอย่างแน่นอนครับผมโดยเฉพาะยิ่ง้เกิดท่านที่มีความสามารถนะครับให้รักคนจนเถิดอย่างที่ผมบอกครับ ท่านอับดุลเลาะห์สลอมอฺอุลลอฮฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอบอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอนอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺอฺเนี่ย สหายที่ฉันรักมากที่สุดได้สั่งเสียฉันไว้เจ็อย่างเจอย่างอันแรกอามารานีบิฮบิมาซาคีนวัดดูนูมินฮุมท่านนาบีเนี่ยสั่งให้ฉันรักคนขัดสนรักคนข้ายากจนแล้วก็ให้อยู่ใกล้ชิดกับพวกเขาตรงข้ามกับ ความเป็นไปของสังคมยุคปัจจุบันหรือเปล่ามุมมองของคนยุคปัจจุบันก็คือคนประเภทนี้ต้องอยู่ห่างๆบางทีรู้สึกสกะปบกรู้สึกน่ารังเกียจกลัวว่าจะถูกขอกลัวอะไรสารพัดแต่เราหลายครั้งเลือกจะไปอยู่ใกล้กับคนที่อลเอารังเกียจคนที่เออ โอ้อวอดคนที่ยิงยเยโสคนที่ว่าทะนงตนคนที่ว่าเป็นตระกูลเราชอบไปอยู่ใกล้เรารู้สึกอยู่ใกล้คนมีอํานาจอยู่ใกล้คนมีทรัพย์สินอยู่ใกล้คนมีเงินที่ว่าเขาไม่ได้ทําในสิ่งที่เขาควรจะทำํำเรารู้สึกว่าอยู่ใกล้กับคนพวกเนี้มันรู้สึกดีรู้สึกอุ่นใจบางทีก็ไปเกาะไปโหนกระแสไปข้งขลางใครดาราไปความ สิ่งที่น่าจะเป็นกับความเป็นจริงมันมักจะสวนกันมุมมองมุสลิมชัดเจนท่านอับดุลเบี๊ยมสุสลิมบอกให้เรานั้นรักคนยากจนให้เราหลังเกียรผู้ที่เยอะเย่อหยิ่งยโสแต่ในภาคปฏิบัติก็แบบที่พี่น้องเห็นนะครับผมก็อบดุลบาศบอกว่าเนี่ยท่านอบีสั่งไว้นะว่าให้ฉันน่ะรักคนจนเป็นคำสั่งจากท่านอับดุลเบี๊ยมสุสลิมลอของอับดุลเบี๊ยมเลยให้รักคนจนให้พยายามอยู่ใกล้กับพวกเขา อย่างน้อยให้พวกเขารู้สึกถึงความเป็นพี่น้องบางทีเราช่วยอะไรเขาไม่ได้บางทีเขาอยู่ในสถานะที่เราเองก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้แต่การที่เรายังอยู่ใกล้ชิดกับเขาการที่เรายังคุกคีกับเขาอย่างน้อยมันก็ยังทําให้เขารู้สึกถึงความเป็นคนอยู่สําคัญนะพี่น้องคนเราเวลาเดือดร้อนบางทีมันรู้สึกต่ําต้อยจะรู้สึกเหมือนกับว่านี่ฉันต่ําใต้อยแต่ฉันไม่ใช่ค น, นใช่ไหมที่อยู่ในจุดล่างของสังคมใครก็รังเกียจอันนี้คือสิ่งที่สังคมนิยมสร้าง เป็นความรู้สึกเป็นช่องว่างที่ว่าผู้ที่ยึดติดเสพติดกับท ร, รัพย์สินเนี่ยสร้างระบอกนี้ขึ้นมาคนรวยยิ่งรวยขึ้นไปเรื่อยๆคนจนก็ยิ่งจนไปเรื่อยๆท่านเะบียโมสเลสลัมก็ บ, บอกว่าให้รักคนจนให้ใกล้ชิดกับเขาว่าอามอร์นีอันอันดูรอิลามันหัวดูนีเวลาอันดุรอิลามันหัวฟาอกิขออยากแปลต่อครับบังท่านอาจจะบอกว่านอกเรื่องอาจารย์อยากแปลต่อเพราะว่าหวังว่าเราจะได้ประโยชน์ในริสบทนี้ อันที่สองที่ท่านนบีมูฮัมมัดสุลตัมสั่งกับท่านอบูซัดก็คือให้ฉันมองคนที่ต้อยต่ำต่ำต้ยกับฉันที่มีโอกาสน้อยกว่าฉันไม่ให้ฉันไปมองคนที่ได้โอกาสมากกว่าฉันเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของความอิจฉาคือจุดเริ่มต้นของความเหนื่อยคือจุดเริ่มต้นของความเศร้าคือจุดเริ่มของความทุกข์ไม่ต้องเห็นด้วยมั้ยล่ะบางทีเราก็ทํางานแล้วก็มีความเป็อยู่ระดับนีงแล้วทํำเลแล้ะแต่บางทีไปดูคนที่หลอกกว่าเราไปดูคนที่สวยกว่าเรา ใจหนึ่งก็ชอบอีกใจหนึ่งก็เกลียดใจหนึ่งก็ผูกพันอีกใจหนึ่งก็อิจฉาพอไปดูคนที่เขารวยกว่าเราดูคนที่เขามีการศึกษาดีกว่าเราดูคนที่เขามีโอกาสดีกว่าเราหลายครั้งเราเป็นทุกข์ทั้งๆที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์เลยพี่น้องจริงๆนะหลายครั้งความทุกข์ที่เราแบกรับความอิจฉาที่เราแบกรับเราไม่จาเป็นต้องแบกรับมันเลย คือแบบไปทำไมมีประโยชน์อะไรที่เราไปมองคนที่เหนือกว่าเราเราไปเป็นร่งอิจฉาแล้เราไปเร่อ ง, อเรเรงทีดว่าเราอยากได้อย่างนั้นอยากได้ใจอย่างนี้อยากได้อะไรเราพยายามในส่วนของเรามองในคนที่เขามีโอกาสต่ํำต้อยกับเราชีวิตเราก็ที่มีความสุขไม่ใช่มีความสุขบนความต่ํำต้อยของคนอื่นแต่เรามีความสุขในส่วนที่ว่าอัลฮัมดูลิละชีวิตฉันไม่ได้สะดวกสบายแต่เมื่อเทียบกับหลายๆคนฉันสะดุกสบายกว่าเขามาก เอล้อปวดเมื่ตาเขาด้วยคือเราไมได่ดูคนที่ต่ําต้อยกับเราดิษตานังเกียจนะดิษบบนี้ไม่ได้บอกให้เราังเกียจคนที่ตําต้อยกับเราแต่สอนให้เราภูมิใจกับสิ่งที่เรามีให้เรามีความสุขกับสิ่งที่เรามีเพราะคนในยุคปัจจุบันเรามีความทุกข์กับสิ่งที่เราไม่มีมากเกินไปทั้งทัที่หลายเรื่องไม่จําเป็นต้องทุกข์เลย เรายังมีอาหารกินอัธรรมดีละมันก็คือความสุขและยังมีสุขภาพที่ดีอัธรรมดีละมันก็คือความสุขเรายังมีบ้านให้อยู่หลายคนไม่มีบ้านให้อยู่เรามีอะไรมากมายซึ่งถ้าคนอื่นมาเห็นเขาอาจจะอิจฉาเราด้วยซ้าคือเราที่ไปอิจฉาคนอื่นนะพี่น้องเราไม่มีทางรู้เลยบางทีเป็นเรานี่แหละที่คนอื่นอิจฉาบางทีคนที่เราอิจฉาเขาก็อิจฉาเรา เราอฉาที่เขามีทรัพย์สินมีอะไรมากมายเขาอิจฉาเราที่ชีวิตมีความสุขถ้าจะอิจฉามันไม่มีประโยชน์มันทําให้มีความมีแต่ความทุกข์มันทําให้ชีวิตติดลบมันทําให้การเอาชีวิตไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรเลยแล้วจะไปเครียดอิจฉากับเรื่องไม่เป็นเรื่องทําไหมถูกไหมครับ ความเครียดสารพัดโรคที่จะตามมาพี่น้องทั้งความดันทั้งเบาหวานทั้งโรคอ้วนทั้งอะไรมันตามมาหมดถ้ามีความเครียดแค่มองเอาร้อด้านบวกมุสีม อ, อล้อยด้านบวกจบครับปัญหาที่คนส่วนใหญ่แบกภาระไหลสาระพวกนั้นเนี่ยหายไปจากเราเลยพี่น้องไปแบกอะไรที่มันเป็นปัญหาจริงๆก็พอไปแบกปัญหาที่ว่าฉันต้องหาเลี้ยงปากนะวันนี้ไม่มีข้าวโอเคนี่เป็นปัญหาหาทางจัดการ หรือปัญหาว่าฉันละหมาดไม่มีสมาธิทําไมคนในบ้านฉันไม่ละหมาดทำไมคนในบ้านฉันไม่สนใจจะเรียนรู้ทําไมคนในบ้านฉันไม่ใช่บาปที่มีขอเหรอไอเนี่ยปัญหาจําเป็นต้องแบกแต่พอเราไปแบกปัญหาที่มันไร้ค่าปัญหาที่มีค่าเราก็ทิ้งมันไปนี่คือมนุษย์ครับพี่น้องนี่คือมนุษย์จริงๆอันที่3าที่ท่านนบีมุสลิมได้บอกไว้ครับว่าสั่งให้ฉันนั้นต้องเชื่อมสัมพันธ์กับเพือญาติต่อให้เขาหันหลังให้แก่ฉันก็ตาม ข้อที่4ี่ท่านนาบีสั่งให้ฉันอย่าไปขอใครเด็ดขาดคืออะไรทําเองได้ทําเองต่อให้ของตกเราสามารถเอื้อมได้ต่อให้เราต้องขยับขยับเราก็เอื้อมไปหยิบเองอย่าฝึกนิสัยตนเองให้เป็นคนที่ชอบขอครับผมแล้วก็อันต่อมาที่5ครับสั่งใช้ให้ฉันพูดความจริงถึงแม้มันจะขมขื่นการพูดความจริงบางครั้งมันส่งผลไม่ดีให้กับเราแต่ท่านนาบีบอกว่าให้พูดความจริงเพราะปั้นปลาย มันจะดีกว่ามันชงุดงามกว่าหลังจา ก, กนั้นครับท่านอบีสั่งให้ฉันกลัวอัลลอฮ์มากกว่าคํานินทาของคนอื่นประเด็นนี้สําคัญนะพี่น้องเพราะบางทีเราก็ให้ความสําคัญกับลมปากคนมากเกินไปทั้งๆ ท, ที่ลมปากของเขาโลกหน้าไร้ค่าเลยให้ความสำคัญกับอัลลอฮ์ให้มากกว่าแล้วอันที่7ครับให้ฉันพูดคําว่าลาฮาวลาเวาลากลุวาตอิลาบิลาให้มากๆ เพราะมันเป็นครั้งที่อยู่ใต้อารักษ์แล า, าละเวลากลัวแต่อิลลับิลละฮะริษนี้ครับบันทึกเรียนหม่อมอามัดครับซึ่งก็เป็นฮะริษที่เสือครับผมประเด็นมากมายที่อยากจะพูดคุยครับเพียงแต่ว่าด้วยกับเวลามันก็ได้เพียงเท่านี้จริงๆนะครับผมเช้ารอครับในครั้งต่อไปเดือนพวกนี้นะครับเรามาพูดคุยกันต่อเดี๋ยวผมขอเคียตารางถ้าไหวก็อาจจะ สองคอสต่อถ้าไหวนะครับช่วงนี้ผมขอเคลียร์ชัดเจนในส่วนที่ขาดไปแล้วกันนะครับขอขอมาทุกท่านครับท่านใดผมยังไม่ได้ทักมือเอ๋ยคุณปัญญาดีเหลือสลามผมไม่ตอบแล้วนะวันคุณสลามมตลอดบอบาหรกขาทุกคุสมชายลุงเรียนคุณสารีแน่ทุกท่านสลามมาวันคุณสลามมาตลอดบอบารกขาทุกคุณมูรอนะครับส่งกำลังใจมาขอบคุณแม่ครับผมแล้วก็คุณเอมิรยาหรือเปล่าครับหลวงมิรยา สลามมาครับก็วสามอตรอบอเรกาตูคุณปัญญาดีเหลือก็ยกนิ้วโป้งมาเมด้โกรผมใช่ไครับเธอคือชีวิตคือลมหายใจมาชากลอครับผมสลามมาเออเธอนี่หมายถึงใครนะครับแอบอยากรู้นะครับผมสลามมาวยุสลามอตรอบอเอรกาตูชีวิตลมหายใจก็มาจากกอลอนะพี่น้องนะอ้าวคุณเฮงหรือเปล่าครับว่าจะเฮงนาะสลามครับวายุสามอุตรอ๊อฟบอเกาตูครับผม โอเคเป็นคําถามนะครับผมน้ชายเสียชีวิตแล้วก็ยังมีแม่มีภรรยามีลูกสาวสามคนมีพี่ชายสองคนพี่สาว4พี่ชายต่างแม่หนึอยากรู้ว่าใครสามารถกินมรดกของผู้ตายได้บ้างจตุจักรลุณรัชคร์นอ่างขอเวาแป๊บหนึ่งนะครับผมพี่น้องนะครับขอตอบคําถามนี้นึ่งนะครับผมถ้ากว่าผู้ตายเสียชีวิตผมตับคําว่าน้ชายทิ้งไปนะครับเอาเป็นผู้ตายเนาะถ้าผู้ตายเสียชีวิตแล้วมีทา ย, ยาทคือแม่แล้วก็มีภรรยา แล้วก็ลูกสาวแล้วก็มีพี่ชายมีพี่สาวแล้วก็พี่ชายต่างแม่อันนี้ผมเข้าใจถูกต้องนะครับทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยได้มีสิทธิ์ได้รับมรดกหมดเลยยกเว้นพี่ชายต่างแม่ไม่ได้พี่ชายต่างแม่โดนกันนะครับใครได้เท่าไหร่บ้างครับมรดกทั้งหมดนะครับแม่ได้หนึ่งส่วนหกคนเป็นแม่นะครับได้หนึ่งส่วนหกของมรดกทั้งหมด ทำไมได้หนึงส่วนหเพราะว่าคนตายนั้นมีลูกอยู่คนตายมีลูกแล้วก็มีพี่น้องอีกต่างหากแม่ได้1นส่วนหเนะาะภรรยาได้1นส่วนแปลูกสาวได้2อส่วนสแล้วก็พี่ชายพี่สาวได้กินของเหลือร่วมกันเดี๋ยวอินชาอลอครับสําหรับคำถามนี้เดี๋ยวผมเขียนเป็นตัวเลขให้อีกทีนึงนะครับอินชาลอครับผมเดี๋ยวผมทักเป็นข้อความส่วนตัวไปอีกแต่คร่าวๆก็คือถ้าใครได้ใครได้บ้างก็คือได้หมดยกเว้นพี่ชาย ต่างแม่ที่ว่าไม่ได้ทานเพราะว่าโดนลูกสาวกันโดนลูกสาวกันไปนะครับผมที่เดี๋ยวเดี ว, ว่ากันอีลเช้าวะครับผมอมาดูข้อความเผลือยคุณโกมลสลามมาวิศนุสลอมอัปตุล้อวัวบาร์กกาทูค่ครับผมอ่ะโอเคครับน่าจะทักทายพี่น้องกันครบแล้วเดี๋ยวคุณเฮงผมขออนุญาตกดก ล, ลิมครับกอ ล, ลิมกอ ล, ลิม เดี๋ยวขอคุณเฮง น, นะครับผมบ อ, อกเสียงผิดผมขอมาฟังนะขอช่วยพิมพ์พิมทายาทที่เหลืออีกทีหนึ่งในข้อความส่วนตัวนะครับผมซึ่งผมเ อ, อทักไปแล้วในข้อความส่วนตัวนะครับผมเ อ, อเดี๋ยวขอช่วยพิมพ์ทายาทที่ไหวอีกทีนึงแล้วก็เดี๋ยวผมอธิบายให้ใชาลเราครับผมเอาครับพี่น้องครับมีคําถามดีๆนะครับเ อ, อคุณซาดาทักมา เป็นประเด็นที่ผมว่าจะคุยหลายรอบแล้วผมลืมคุยนะครับผมข้อดีของการที่เรามาพูดคุยกันตอนหลังละหมาดฟัชเมีข้อดีหลายข้อจริงๆนะครับผมที่ว่าทําไมผมถึงเลือกเวลานี้นะครับผมหนึ่งในข้อดีนั้นก็คือพอพี่น้องเราพูดคุยกันเสร็จแล้วพี่น้องมันก็จะเข้าเวลาดูฮาพอดีอย่างพี่น้องถูกไหมครับปกติเราคุยกันแล้ว เ, เสร็จกันประมาณหกโมงซึ่งมันก็เข้าเวลาดูฮาเรียบร้อยแล้วหกโมงกว่าเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นละหมาดดูฮาพี่น้อง ความประเสริฐมากมายมหาศารยิ่งถ้าเกิดว่ า, าบางท่านเลยจะบอกดูฮะกับอิชลอกต่างกันไหมหรือว่าอวาบีนต่างกันไหมสรุปคร่าวๆง่ายๆละหมาดดูฮาคือละหมาดยามสายเป็นคํารวมละหมาดอ ok ิชรอกใช้เรียกละหมาดด uh ูฮาซึ่งใครก็ตามที่ว่าเขาละหมาดฟัดดูเสร็จแล้วเขาทําอิบารดาต่อไม่ได้ทำอย่างอื่นเลยแล้วก็ละหมาดด uh ูฮะสองรากาเขาได้ผลบุญเท่ากับทําฮัต หรือว่าทําอุมร้องผลบุญมหาศาลเลยนะเพราะฉะนั้นละหมาดดูฮ่าเป็นคํากว้างๆคือละหมาดไหนก็ตามที่ละหมาด ต, ตอนสายเนี่ยเรียกว่าดูฮาที่ประเสริฐกว่าละหมาดดูฮ่าก็คือละหมาดอิชลอกก็คือละหมาดที่ว่าเราทําการละหมาดฟัชชชี่เสร็จแล้วอ่ะเราทําอิบาดะอื่นต่อคือเราไม่ได้ทำดํำใดและสาระเลยอย่างมาพูดคุยศาสนาก็เป็นอิบาดะอย่างหนึ่งพอเสร็จสิ้นปุ๊บเราก็มีน้นละหมาดอยู่แล้วนะครับก็ละหมาดสองรูปกอันเนี้ยนักชาการเรียกว่าเป็นอิชลอก ส่วนท่านใดก็ตามที่ละหมาดดูฮากับละหมาดอิชรอฟเป็นประจำจะเรียวกว่าเป็นสาดาตุลอาวาบินการละหมาดของคนที่กับเนื้อกับตัวเพราะท่านบีมูฮัมมัดสุลต่านบอกว่าพวกท่านจงรักษาการละหมาดดูฮาให้มากๆเพราะผู้ที่รักษามันมากๆนั้นเขาเป็นอาวาบินเขาเป็นคนที่กับเนื้อกับตัวเพราะฉะนั้นนี่คือที่มาว่าทำไมละหมาดดูฮาถูกเรียวกว่าเป็นสาดาตุลอาวาบินซึ่งนักการส่วนใหญ่ก็มองว่า ในภาคปฏิบัติมันก็ไม่ต่างกันหรอกคือดูฮ่าอิชร็อกอวาวบีเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะได้ความหมายแบบละเอียดจริงๆก็อย่างที่บอกดูฮ่าคือละหมาด ย, ยามสายอิชลอคือละหมาด ย, ยามสายที่ตั้งแต่เชา้าตั้งแต่ซูโบเราไม่ทำอะไรเลยสาระเลยทำอิบาระต่อร้อยอย่างเดียวแล้วมาละหมาดส่วนคนที่รักษามันเป็นประจำเรียกว่าซาละอัลอวาบีละหมาดของคนที่กลับเนื้อกับตน กับตัวส่วนลอสุบฮาห์นูอัต阿าละมัดอาวาวีนละมัดบุฮาละมัดอิชลอคกี่รลอกะมีสายแรงงานทั้ง4ี่ลอกะกับสองล็อกะเพราะนั้นพี่น้องจะละหมัดเท่าไหรก่ก็แล้วแต่พี่น้องเลยสองล็อกะก็แบบสุนัตปกติ4ี่คืนสี่ลอกะก็ละหมัดแบบ4ร่ล็อกะที่เป็นสุนัตปกติซึ่งนักวิชาการส่วนใหญ่มองว่าละหมัดบูฮ่าเป็นสุนนะโมอักกะะคือเป็นสุนนะที่ไม่สมควรพลาดด้วยประการทั้งปวง คือพลาดแล้วเสียใจอ่ะโลกหน้าพลาดแล้วเสียใจถ้าไปยังไงนะสุนนะมอกาดะคือสุนนะความดีงามที่คุณพลาดแล้วคุณจะต้องเสียใจอย่างหนักแน่นอนในโลกหน้ามันไม่ได้ทําให้คุณลงนโลกหรอกเพียงแต่มันจะทําให้เราพลาดจากอะไรที่ดีงามอย่างมหาสารเกินจินตนาการแค่ที่ท่านอับดุลเบี๊ยมอัลัสลูฮ์ฮาวะเดยสลามบอกว่าได้ผลบุญเท่ากับทําฮัจจ์กับอุมรอ ผลละบุญก็มหาศาลแล้วพี่น้องเพราะนั้นก็อันนี้ที่ว่าอยากจะขอฝากนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ทักมานะครับว่าอาจารย์เดี๋ยวอฟังบรรยายเสร็จในละหมาดบุฮาร์ได้เลยไหมครับผมก็อกคิดได้เลยว่ากระลืมประเด็นที่ว่าอยากจะชวนคุยกับพี่น้องเรื่องนี้นะครับผมก็ขอบคุณพี่น้องที่ทักมาด้วยครับเจษฎาคุณรอหัคายรอนครับผมก็ส่วบวันนี้นะครับน่าจะได้แก่เวลาครัวแล้วขอบคุณพี่น้องที่รักทุกท่านที่อ มาใช้เวลาร่วมกันในที่นี้ก็เจตนาให้ดีเพื่อให้อลรักกับล้อลพอใจขอรับตอบรับการางานที่ดีของเราขอให้เชา้านี้ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดของพวกเราทุกคนอีกวันหนึง่งไม่ว่าจะเจอบททดสอบใดก็ขอร้องให้เราผ่านพ้นมันไปได้ในสภาพของบ่าวที่อัลลอฮ์รักด้วยเถิดครับผมครับแล้วก็ขอร้องให้พรให้ความสติให้ความปลอดภยัยแก่ท่านนายบี ม, มสุสลิมฮาวาลิสลามตลอดจนวงวนันอัคราสาม มิสหายของท่านบญมัสเตอรซัมแล้วก็ผู้ศรัทธาทั้งหลายที่ปฏิบัติตามท่าน เ, นานเหล่านั้นด้วยดีด้วยเถิดนะครับอาเมนรบบนาตินาฟิุนยาฮวฟิลอาิฮซนวกินอาบนนาวอาิลดวานาอิิลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลอลาีนครับลามลุมัลลอฮวบรากาตุ